บทที่44กรรมเก่ากรรมใหม่สองสาวมานั่งรอเพียงอึดใจหมอดูใหญ่ก็เข้ามาในห้องและทักทายแบบจำพเพาะจอะ จ, จงไปทางนัชเลว่าไงหนูทรายนัชเลพนมมือไหว้อย่างอ่อนช้อยพร้อมเอาเวลาสวัสดีค่ะพ่อหมออุปการะรับไหว้สองสาวยิ้มแย้มในท่าทีเต็มใจต้อนรับเป็นอันดีวันนี้พาใครมาด้วยเหรอน้าเค้กค่ะน้าเหรอ บุรุษผู้อาวุโสย่นคิ้วถามยิ้มยิ้มคล้ายชะโงนค่ะแก่กว่าซายแค่เจ็ดปีแต่เป็นลูกผู้น้องของคุณแม่นะคะแล้วนัชเลก็หันไปยิ้มหวานกับคนข้างตัวหน้าเค็กหน้าอ่อนพ่อหมออาจนึกว่าเป็นเพื่อนซายก็ได้อืมกําลังนึกอยู่จริงๆแหละอุปการะพงศีศรีษะยอมรับนอกจากหน้าอ่อนแล้วใจพวกหนูเสมอกันเหมือนเพื่อนด้วยแหละอุย้ย ไม่กล้ารอค่ะน้าเค้กเป็นญาติผู้ใหญ่อย่างมากก็เผลอเรียกพี่นับศักก์ก็เรื่องหนึ่งนับใจก็อีกเรื่องหนึ่งใครเป็นแรงบันดาลใจในทางบุญให้อีกฝ่ายจังหวะนั้นก็อยู่ในฐานะผู้เดินนำให้อีกฝ่ายเป็นผู้ติดตามเอาเวลาเผลอยิ้มหล่อนเป็นคนอัตตาเล็กพอจะยอมรับค่ะทรายเหมือนเป็นเจ้าหญิงเคยบอกเขาเหมือนกันว่าบางทีเดินกับเขาแล้วรู้สึกเหมือนเคก้กเป็นคนรับใช้ ทรสายชาติก่อนคงเคยเป็นนายเป็นบ่าวนัชเลหันมาจีบปากทำหน้ายุเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่อยากให้น้าพูดอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นอุปการะเห็นฉชนนั้นก็หัวเราะเล็กน้อยท่วงทีที่สง่างามประกอบกับจิตที่สว่างจัดด้วยปัญญาแหลมคมมีอิทธิพลจับตาและบรรดาให้คนเห็นนึกไปได้ขนาดนั้นแหละ อีกอย่างหนูทรายเป็นแรงบันดาลใจดีๆทําให้หนูรู้สึกอบอุ่นในช่วงที่อ้างว้างหนูเลยเห็นตัวเองอยู่ในฐานะต่ํากว่าเหรอคะนึกว่าชาติก่อนเคยเป็นนายเป็นบ่าวกันมาจริงๆซะอีกความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือพบย่อยพบหนึ่งที่จิตยึดไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไกลถึงปางก่อนปางหลังหรอกกรรมดีกรรมชั่วก่อร่างสร้างพบให้เรา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในชาตินี้ชาติเดียวยังพอหนูชนะกิเลสได้เหนือเขาก็เท่ากับชนะใจเขาด้วยพบแห่งความเป็นเพื่อนก็ปรากฏแทนพบแห่งความเป็นใหญ่เป็นรองคำพูดราวกับตาเห็นของอุปการะทําให้อเวราเลี้ยวมามองหลานสาวนิดหนึ่งในตาสอแววสงสัยเพราะใจคิดอยู่ว่านะัชะเลแอบเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้หมอฟดูฟังล่วงหน้าหรือเปล่า อุปการะยิ้มด้วยใจเมตตาบอกคนสงสัยให้หายกังขาหนูซายไม่ได้มาพบผมบ่อยหรอกเอาตัวหนูเค้กมาวันนี้ก็ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหญิงสาวสะดุง้งแต่ก็คิดว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญจึงทำหน้าปกติพูดตอบเมื่อวานหนูได้ยินซายเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อหมอแล้วอยากพบบ้างนะคะที่ผ่านมาทายกับคุณแม่ของเขาก็ช่วยฉุดหนูขึ้นจากลม จนได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาพอรู้ว่าทรายศรัท ธ, ธาใครหนูเลยอยากมาขอคำแนะนำบ้างผมไม่ได้แนะนำสั่งสอนมากนักหรอกหนูทายมีดีด้วยตัวเองอยู่ก่อนหน้าแล้วนัชเลยอนจมูกนิดหนึ่งก่อนยิ้มหน้าเอ็นดูมีดีสักแค่ไหนคะวันแรกที่มาหาหนูยังสงสัยเลยว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงไหม ถ้าไม่ได้พ่อหมอช่วยไขยให้ด้วยวิธีที่หนูสามารถประจักษ์กับตัวป่า น, นี้คงยังสงสัยไม่เลิกก็ดีแล้วความหายสงสัยของหนูจะช่วยให้คนอื่นคลายสงสัยได้อีกเยอะและอุปการะก็แปรสายตามาทางอเวราซึ่งนั่งจ้องเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นจนกลายเป็นแรงดึงดูดให้เขาหันไปศพและทักว่าหนูเคกเองก็หายสงสัยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่นะ หญิงสาวกระพริบตา ท, ทีีเสียงพร่ลงเล็กน้อยเท่าที่เค้กพอมีประสบการณ์ก็คงแค่ความผูกพันที่เหนียวแน่นมั้งคะที่ออทำให้รู้สึกว่าชีวิตก่อนและชีวิตหน้าคงมีอยู่แต่ก็เอาไปยืนยันกับใครๆไม่ได้ว่านั่นเป็นความรู้แจ้งเหมือนเห็นกับตาว่าชีวิตก่อนเป็นยังไงชีวิตหน้าเป็นยังไง แค่ความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นก่อนตายไม่ทำให้หายสงสัยในภพชาติสักเท่าไรหรอกความตระหนักว่าแต่ละคนมีกรรมเก่าต้องชดใช้ต่างหากที่จะทำให้เรายอมลงใจเชื่อได้มากกว่าอันนี้หนูเค้กคงทราบซึ้งดีจากรูปแบบเหตุการณ์ที่เวียนมากระทบหนูซ้ำรอยเดียวกันอยู่เรื่อยนอกจากนี้ หนูยังประจักษ์ว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ได้ขนาดไหนการเห็นความต่างระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ของเราเองนั่นแหละต้นทางไปสู่ศรัทธาในกรรมวิบากและภพภูมิแบบไม่งมงายแปลว่าตอนนี้หนูหายโง่แล้วหรือคะอภัยทานทําให้หนูหายโง่เรื่องการผูกเวร อุปการะาตอบเนิบแบบจำเพาะเจาะจงอย่างน้อยก็คิดว่าถ้าเจอเขาอีกในชาติหน้าคงไม่มีเรื่องหน้าเศร้าเหมือนชาตินี้อีกแล้วนั่นแหละความรู้จริงอันเป็นผลจากการอโหสิให้แก่กันและกันด้วยหัวใจเอเวลาตาค้างหล่อนเคยดูหมอมาก็มากจึงคุ้นคำทักเกี่ยวกับอดีตที่ตรงจริงมาไม่น้อย แต่เพิ่งครั้งนี้ที่เจอหมอดูกายสิทธิ์ยังไม่ต้องถ่ายถามวันเดือนปีเกิดก็ทักเอาทักเอาแถามไม่ใช่แค่ล่วงรู้แนวเหตุการณ์ที่ผ่านมาทว่ายัางลงลึกได้ถึงระดับความรู้สึกนึกคิดอีกด้วยหล่อนไม่ต้องการลองภูิหมอดูแต่เพื่อความแน่ใจก็อยากให้เขาสรุปชีวิตหล่อนเป็นคำสั้นๆกำเก่าของหนูเป็นแบบไหนแล้วกำใหม่ที่ได้ทาไปแล้วมีอะไรบ้างคะ ขอแบบให้เห็นภาพรวมชัดๆหน่อยได้ไหมกำก่าของหนูทําให้สวยเพื่อ น, นำทุกและนำัยเวรมาสู่ตัวส่วนกําใหม่ที่เพิ่งทําลุล่วงไปคือปลดห่วงโซ่แห่งภัยเวรเส้นหนึ่งด้วยอภัยทาน เ, าเวลาขนลุกเป็นราลอกนึกเลื่อมสายบุุษผู้นั่งฝั่งตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆตรงกับที่หนูคิดอยู่พอดีเลยค่ะต่อไปพอมองใครๆคงเห็น จากมุมมองทำนองนี้คือเห็นพวกเขากำลังเสวยกรรมเก่าส่วนหนึ่งและสร้างกรรมใหม่อีกส่วนหนึ่งกันอยู่ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วนั่นแหละการปรากฏแสดงตัวของกรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เองแม้แต่ใจก็เป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าหรือคะใช่ใจที่มืดบอดสมภูมินรก เดรัจฉานหรือเปรตก็แยกย้ายกันไปถือกำเนิดในอาณาจักรนั้นๆส่วนใจที่เป็นกุศลสมภูมิมนุษย์ก็มาได้ที่เกิดในท้องมนุษย์ิยงสาวหอ่อไหลหัวเราะฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อยเหมือนตัวเองเป็นคนมีบุญเลยค่ะนึกว่าเค้กเป็นนางบาปเสียอีกเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ด้วยบุญพอนั่นแหละถึงหนูเค้กจะรู้สึกเหมือนเป็นคนบาปเพราะเจอแต่เรื่องร้ายๆก็ตาม สัตว์ที่เข้าท้องมนุษย์เนี่ยต้องมีคุณภาพจิตที่เหนือกว่าสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายนับตั้งแต่ความสํานึกผิดชอบชั่วดีความสามารถเรียนรู้ความสามารถคิดอ่านอย่างมีเหตุผลความสามารถเปลี่ยนเส้นทางกรรมให้เป็นอื่นตลอดจนกระทั่งความสามารถกําหนดสติให้รู้เห็นตามจริงเพื่อเป็นอิสระจากอุปทานทั้งปวงได้แม้นั่งฟังอยู่ด้วยกันแต่นชเลเหมือนถูกสกิดได้แรงกว่า เนื่องจากมีพื้นความรู้แน่นหนากว่าน้าสาวกล่าวคือพอฟังว่ากรรมเก่าเป็นตัวกำหนดชั้นภูมิของจิตในแต่ละชาติหล่อนก็ได้คิดและถามเพื่อความแน่ใจว่าตนคิดถูกพ่อหมอคะแต่ละครั้งที่เกิดใหมน่นี่จิตเป็นคนระดวงกับภพบเก่าแล้วใช่ไหมใช่จิตสัตว์นรกก็แบบหนึ่งจิตสัตว์เดรฉ า, านก็แบบหนึ่งจิตเปรตก็แบบหนึ่งจิตมนุษ ก็แบบหนึ่งน้ำหนักกุศลหรืออกุศลในปางก่อนจะเป็นตัวชี้ขาดว่าเราเป็นอะไรในชาติปัจจุบันอย่างนี้เป็นเครื่องแสดงอนัตตาใช่ไหมคะคือตกลงในระยะยาวเราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพราะแม้แต่จิตวิญญาณก็ถูกบันดาลขึ้นด้วยกรรมเก่าไม่ซ้ําแบบไปเรื่อยเหมือนไฟเล็กไฟใหญ่ที่จุดขึ้นจากเชื้อต่างชนิดกันตั้งอยู่บนเทียน คนละขนาดกันเราจะบอกว่าเปลวไฟนั้นเป็นดวงเดิมไม่ได้ถูกต้องแค่วันนี้วันเดียวก็มีจิตเกิดดับมากมายนับไม่ถ้วนแล้วความเกิดดับไม่ซ้าตัวเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าอนัตตาตลอดมาได้มีอนัตตาจานวนอ น, นันต์เกิดดับทับถมอยู่ในห้วงจั ก, กรวาลแห่งความว่างเปล่านี้เพียงเพื่อ สักแต่ก่อให้เกิดอุปทานเป็นขณะขณะอย่างไร้แก่นสารเท่านั้นทำกรรมใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อเสวยทุกข์ในรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆอุปการะยิ้มกว้างให้กับการเห็นภาพชัดของเด็กสาวใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมใหม่คือกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจในขณะปัจจุบันเหมือนเช่นที่เรากำลังคุยกันในห้องนี้ฝ่ายหนึ่งอาศัยเจตนาถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกฝ่ายหนึ่งอาศัยเจตนาตอบตามที่รู้นี่แหละกรรมใหม่อันเป็นกุศลของพวกเรานั่นเป็นครั้งแรกที่เอเวราได้รับการชี้ให้เห็นว่าตนกําลังก่อกรรมอยู่ทุกขณะขึ้นอยู่กับว่าเรียกถูกหรือไม่ว่ากําลังทําอะไรเข้าฝ่ายกุศลหรืออกุศลหล่อนสนใจที่หมออุปการะกล่าวว่าขณะนี้ตนกําลังทํากุศลทั้งที่ไม่รู้ตัว และไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำกุศลอันใดเลยแค่ถามปัญหาก็จักเป็นบุญกุศลได้หรือคะแน่นอนเพราะนั่นแสดงถึงอาการของจิตที่ใครในธรรมใครรู้เห็นทางถูกทางชอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเข้าหาผู้รู้แล้วไถ่าถามว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากเอาเวลาพยักหน้า แต่แววตายังคาอยู่ด้วยความสงสัยหน่อยๆ อ, อุปการะจึงขยายความอีกคนเราจะฉลาดหรือมีปัญญาคิดอ่านก็ต้องมีสติมีความเห็นปัญหาชัดและสามารถเลือกทางแก้ปมได้ถูกต้องใช่ไหมคุณสมบัติเหล่านั้นจะตามมาเองถ้าเราตระหนักว่าบุญทั้งหลายเป็นประโยชน์บาปทั้งหลายเป็นโทษยิ้งสาวยิ้มอย่างคลายกังวล แล้วที่พ่อหมอเจาะจงว่ากรรมเก่าของหนูเออเป็นไปในแบบสวยเพื่อนำทุกและนำภัยมาสู่ตัวลองแจงแจงให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะจะได้สังวรต่อไปกรรมในอดีตที่ตกแต่งให้หนูสวยนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความเคยชินที่จะทำทานด้วยจิตศรัทธาและทั้งความตั้งใจเว้นขาดจากการผิดศีลแม้รายละเอียดในชีวิตจะมีมาก แต่รวมน้ำหนักแล้วก็สรุปได้ว่าทานกับศีลในอดีตที่ดีเกินระดับเฉลี่ยของหนูส่งให้รูปปรากฏในชาติปัจจุบันออกมาดูดีเกินระดับเฉลี่ยเช่นกันผู้ทรงญาณวิเศษหยุดนิ่งลงอย่างเริ่มกำหนดจิตให้เข้าสู่ภาวะล่วงรู้อดีต ก, กรรมแต่อเวราไม่ทราบจังหวะก็ถ่ายถามด้วยความติดใจแล้วคำที่นำทุกนำภัยมาสู่ตัวล่ะคะคืออะไร นัชเลแตะแขนของหน้าสาวเป็นเชิงให้เงียบรอซึ่งครู่หนึ่งนักพยากรณ์กรรมก็ฉเฉลยชัดถ้อยชัดคำย้อนกลับไปเมื่อสองชาติก่อนเริ่มขึ้นมาหนูเค้กมีความน้อยเนื้อต่ำใจที่รูปไม่งามไม่ค่อยมีชายมาแลแต่ชาตินั้นหนูเป็นคนใจใหญ่พอได้ยินเสียงร่ำลือว่าผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์นุ่งขาวห่วมขาวรักษาศีลอุโบสถเพียงเดินละสี่วันก็สามารถ เลือกเกิดใหม่เป็นอย่างไรก็ได้หนูก็ตั้งใจปฏิบัติชนิดที่ยอมให้โจรเชือดคอดีกว่าถูกบังคับให้ตบยุงตายเพียงตัวเดียวเอาเวลาตั้งตาฟังด้วยความสนใจยิ่งแม้ไม่ทราบว่าเีลอุโบสถเป็นอย่างไรแต่แปลกที่ได้ยินแล้วสัมผัสใจลึกซึ้งนักชนิดที่ยังไม่ทันไรก็บังเกิดความเลื่อมใสยอยากศึกษาอยากถือปฏิบัติทันที เพื่อขออำนาจกรรมใหม่โดนบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ชาตินั้นหนูไม่ได้บวชหรือคะอุปการะสันสีสะหนูแค่ประพฤตินตนเป็นอุบาสิกาที่ดีปัญหาซับซ้อนเริ่มจากตรงนี้หนูรักษาศีลอุโบสถโดยไม่มีใครให้คำแนะนำใกล้ชิดนักแล้วก็ไม่มีใครรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของหนูหนูจึงตั้งคาอธิษฐานตามอาเภอใจโดยไม่มีใครทักท้วงเช่นกัน หนูอธิษฐานว่าอย่างไรหรือคะอย่างที่บอกครั้งนั้นหนูเริ่มคิดรักษาศีลอุโบสถจรงิงจังก็ด้วยเพราะความน้อยเนื้อต่ําใจว่ารูปไม่งามแทบไม่มีใครเหลียวแลแล้วอธิษฐานซ้ำซํำๆย้ำๆตลอดชีวิตที่ถือศีลอุโบสถทุกวันพระว่าด้วยอํานาจของศีลอุโบสถอันข้าพระเจ้ารักษาสําเร็จมาตลอดแล้วจงดนบันดาลให้เป็นผู้มีรูปงามเป็นที่สนใจของชายทั้งเมือง การที่หนูสำเร็จศีลอุโบสถได้ตามสัตว์ปฏิญาณกับตนเองหลายสิบปีกระทั่งถึงอายุไขก็เป็นการสั่งสมบุญกองภูเขาเหมือนมีทรัพย์ที่จับจ่ายได้นับอนันต์ใช้ซื้อรูปอันงามยั่วยวนใจชายได้ทุกภพทุกชาติเรากับไม่มีที่สิ้นสุดสมความประสงค์ด้วยระดับญาณของผมก็มองไม่เห็นเลยว่าเงาแห่งความเป็นคนรูปงามของหนูจะทอดไปจบลงเมื่อใด เพราะความมั่นคงในครั้งโน้นจะดนใจให้โอนเอ็นมารักษาบุญไว้ไม่ขาดด้วยเอาเวลาฟังว่าตนจะสวยไปเรื่อยๆก็อดยิ้มปรื่มไม่ได้แต่นัชเลฟังแล้วเริ่มเห็นเขาเงาว่าเหตุใดความสวยของหน้าตนจึงนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นก็เพราะการรักษาศีลชั้นสูงในชาติโน้นเป็นไปเพื่อสนองความปรารถนาเชิงราคะนั่นเอง อย่างนี้ทายพอนึกออกแล้วค่ะว่าทำไมผู้หญิงบางคนขี้โลภขี้กโกรธทั้งชีวิตก็ยังไม่มองจนหมดสวยเสียทีเดียวนั่นเพราะบางคนรวยบุญจนใช้ยังไงก็ไม่หมดนี่เองเหมือนเศรษฐีมีแสนล้านต่อให้เผาธนบัตรทิ้งเล่นวันละปีบเราก็จะไม่มีวันเห็นเขาหมดตัวเลยจนตายแล้วนาเค้กทำกรรมอย่างไรถึงมีปัญหากับพวกจิตซามนะคะ เกิดใหม่ในชาติถัดมาพอโตขึ้นหนูเค้กก็เห็นว่าตนเองงามพร้อมแถมอยู่ในตระกูลสูงสักความทนงจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดามาบวกกับปมฝังลึกที่เคยขับแค้นกับการไม่ได้รับความเลี้ยแลจากชายไหนๆพอได้ทีเลยอยากเห็นผู้ชายทั้งโลกมาสยบแทบเท้าตัวซึ่งครั้งนั้นหนูเค้กก็ทำได้ง่ายด้วยกาลังที่พรักพร้อมเพียงแค่ชายตา หรือหันชําเลืองยิ้มสะกดใครเขาก็จะรู้สึกเหมือนถูกเสยษแทงหัวใจแทบตายดับอยู่ตรงนั้นทันทีหนีไปไหนไม่รอดและยิ่งเห็นผลมากหนูก็ยิ่งย่ามใจมากเอาเวลาสายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อเพราะตั้งแต่จำความได้ชาตินี้หล่อนไม่เคยมีใจล่อลวงหรือคิดสะกดใครให้ยอมสยบเยื่อนนั้นเลยทว่าพอขยับจะแย้งหมออุปการะก็ยกมือห้ามไว้ ลองฟังผมให้จบก่อนแต่ละชาติไม่ได้สั้นแค่เดือนเดียวหรือปีเดียวหนึ่งชีวิตเปิดโอกาสให้ผูกกรรมหลายซับหลายซ้อนนักนั่นเองหญิงสาวจึงสงบกิริยาลงและรับคำเบาๆค่ะสมัยที่หนูเกิดเป็นนางผู้เลอโฉมนั้นมีแต่คนมาหลงทั้งเมืองแถมเกิดกิติศัพท์แพร่กระจายไปถึงเมืองอื่นอีกด้วยแต่ไม่มีใครทาให้หนูหลงได้สักรายเดียว พอเวลาผ่านไปผ่านไปเลยเกิดความหงุดหงิดตรงนั้นเองวิบากที่ไปยั่วคนอื่นให้หลงรักหนูข้างเดียวเริ่มโดนใจให้ไป น, นึกพิสวาสทาตร่างกรรมยาคนหนึ่งในบ้านทั้งที่เขาด้อยกว่าทั้งวัยฐานะและสติปัญญาคงเข้าใจนะหนูแค่ต้องการใช้เขาเพราะเขาเป็นเบีย้ยใกล้มือไม่มีทางหือและไม่มีวันพเพยหน้ามาเรียกร้องอะไร เอาเวลาพยักหน้าอย่างเริ่มเข้าใจเพราะยังจำความรู้สึกแรกเมื่อพบกับพฤหัสได้ดีค่ะหนูคงประพฤติตัวแย่ๆมาหลายครั้งนัชเลกำลังอยากฟังเรื่องต่อจึงถามแทรกน้าแคคคงไม่ใช่แค่เห็นทาดเป็นเครื่องมือใช่ไหมคะคงเกิดอะไรร้ายๆกับเขามากทีเดียวลองนึกแล้วกันนะ ว่าราคะที่แฝงมากับความดูถูกเยียดย้มจะออกมาในรูปไหนผู้หญิงลงท่าขึ้นขี่คอผู้ชายได้ยุคไหนก็เหมือนกันหมดลงเอยเป็นต้องทรมานฝ่ายชายทั้งด้วยการตบตีทั้งใช้ของมีคมทำร้ายแล้วก็ทั้งด้วยวาจาเผ็ดร้อนเรียกว่าสิ่งใดทำให้คนคนหนึ่งเจ็บปวดได้หนูเหมาหมดไม่เหลือ นั่นเป็นวิธีการกลบเกลื่อนความรู้สึกอดสูของตัวเองในฐานะนายผู้หญิงฟังแล้วเกลียดตัวเองจังค่ะเอ่ยทั้งหน้าแดงเรือ่อใจหนึ่งอยากให้ผู้วิเศษหยุดบรรยายแต่อีกใจเริ่มเต็มอิ่มกับคำตอบที่คลายปมกังขาสารพัดรวมทั้งเล็งเห็นว่าที่พฤหัสทำกับตนในชาตินี้ยังน้อยกว่าที่ตนทากับเขาในชาติก่อนมากนะักยังไม่จบนะ ต่อมาหนูพบกับคนถูกใจพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติอีกทั้งเขาเองก็ติดเนื้อต้องใจหนูไม่ต่างจากผู้ชายอื่นๆซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็ลองคิดดูว่าหนูจะเห็นธาตุที่เคยใช้สอยเป็นอย่างไรเขาคือเซียนต่ำตาหรือหนามยอกอกไปในทันทีหนูไม่อยากเห็นเขาปรากฏตัวอีกโดยเฉพาะต่อหน้าคนรักใหม่ซึ่งมาเยี่ยมบ่อยๆจึงแกล้งใส่ร้ายเขา ทำนองมาด้อมๆมมองมองดูหนูในที่รับเกรงจะเกิดอันตรายกับตัวและขอร้องพ่อให้ขายทาดทิ้งไปเสียเอาเวลาเริ่มสลดหนหูบังเกิดความเศร้าหมองมากขึ้นทุกทีเรื่องราวในอดีตชาติมีความน่าอัศจรรย์แก่เจ้าตัวอยู่ประการหนึ่งคือเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดสำนึกรับรู้ตามคล้ายฟังนิทานที่โดนใจอย่างแรง การเล่าอดีตชาติเป็นลีลาการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งเหล่าสาวกถือปฏิบัติตามความสามารถเฉพาะตนเพื่อสกิดเจ้าของกรรมให้สํานึกผิดในบาปและเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบบุญด้วยความมุมาณะสืบไปพ่อของหนูทําตามคําขอไหมคะก็อย่างที่หนูเดาได้นั่นแหละท่านของหนูคนนั้นนี่นะแม้ถูกหนูทําร้ายสาหัสขนาดไหนก็ยังเทิดทูนบูชา จงรักภาคดีต่อหนูเทียบเท่าเจ้าชีวิตเสมอต้นเสมอปลายแต่เมื่อภายหลังเขารู้สาเหตุว่าถูกขายขาดให้บ้านอื่นอย่างปราศจาความใยดีเพียงเพราะตัวเองมีสภาพเหมือนก้างขวางคอของหนูเขาจึงเจ็บช้ำน้ำใจน้อยใจถึงขั้นกลับด้านจากรักเป็นชังคุ้มแค้นฝังแน่นขนาดเปล่งวาจาขอเอาคืนบ้างในชาติหน้า ตลอดเวลาที่ฟังอุปการะเล่าเอาเวลานึกถึงดวงหน้ายิ้มฉายอารมณ์ดีของพระรหัสอยู่ไม่ขาดกับทั้งระลึกถึงวี่แววจงรักภักดีซึ่งยังติดตามจากพบก่อนมาแสดงตัวในนาทีสุดท้ายจึงมาเกิดความสะเทือนแรงในหัวอกขนาดน้ำตารินออกมาอย่างรวดเร็วเกินห้ามสมแล้วชาตินี้เขาตั้งใจขายหล่อนเพราะคงอยากกาจัดก้างขวางคอเหมือนกัน สะอื่นหักหนึ่งก้มหน้าซบกับฝ่ามืออัดอั้นและกัดฟันแน่นด้วยความเจ็บลึกกับการล่วงรู้อดีตอันโสมุมของตนนัเลเห็นเช่นนั้นก็รูปหลังปลอบโยนเรื่องผ่านมานานแล้วค่ะนาเคกและชาตินี้นาเค้กก็ชดใช้กรรมเวรไปพอสมควรแล้วตั้งใจฟังพ่อหมอเล่าต่อให้จบก่อนดีกว่า สายเชื่อว่าอาจทำให้หน้าเคกเห็นช่องทางดีๆที่จะเกื้อกูลเขาได้คำปลอบของหลานสาวได้ผลเสมอมารวมทั้งในครั้งนี้เพียงอึดใจเดียวอเวลาก็เงยหน้าขึ้นกรีดน้ำตาทิ้งและฝืนเอ่ยกับบุรุษผู้แจ่มแจ้งในอดีตอนาคตของสัมสัตว์ทั้งหลายหนูเข้าใจชัดจริงๆค่ะว่าการรมที่เกิดจากการขายชีวิตผู้อื่นนี้ร้ายแรงขนาดไหน พ่อหมอเล่าต่อเธอค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายของหนูหนูได้ร่วมหอลงโรงครองรักครองเรือนกับชายที่หนูถูกใจและเขาก็รักหนูมากทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเป็นอนุภาพที่บุญเก่าแสดงตัวแต่อายุของสามีหนูสั้นไป น, นิดหนึ่งอยู่ด้วยกันยังไม่ทันแก่ชาราก็ตกตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากการเดินทางไกลในยุคนั้นงานศพของเขา ทำให้หนูได้คิดหลายๆอย่างและกลายเป็นคนเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมมากขึ้นพอเริ่มศึกษาและศรัท ธ, ธากรรมวิบากกับทั้งตรหนักว่าชีวิตเป็นของน้อยไม่ควรที่ใครจะประมาทหนูก็ทบทวนกรรมในอดีตของตนเองแล้วพบว่ารอยด่างที่สุดก็คือกรรมร้ายกาศที่กระทําไว้กับทาตในเรือนนั่นเองหนูเกิดความรู้สึกผิดอย่างรุนแรง และกลายเป็นปมฝังใจที่ทำให้หวนพววงนึกอยู่เสมอเสมอแม้พยายามไปเจราจาขอซื้อทาสคืนก็สายเกินเพราะเขาโยกย้ายตามนายกลายเป็นคนพลัดถิ่นไปไหนเสียแล้วก็ไม่รู้เอาเวลาพยักหน้าน้อยๆด้วยความสงสารพระฤหัตนุเคยสงสัยว่าทําไมชาตินี้เจอเขาถึงต้องมีเงื่อนปมบีบคั้นให้สำนึกผิดมากมายนัก ทั้งเรื่องความต่างของวัยทั้งเรื่องความด่วนได้ในวันเดียวทุกอย่างเป็นไปเพื่อต่อความรู้สึกละอายในครั้งก่อนนี่เองและแรงขับดันบางประการทำให้นึกอยากสารภาพเพื่อความโล่งหัวอกบางทีตอนอยู่กับเขาหนูเคยอยากถูกทรมานอยากได้รับความเจ็บปวดตอนนี้เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วคะ่ะว่าทำไมเคยทําเรื่องวิปริตวิบาก ก็โดนใจให้คิดวิปริตอีกเป็นธรรมดาอุปการะเอ่ยอย่างมีอุเบกขาในชาติก่อนพอหนูสำนึกผิดได้กับทั้งมีศรัท ธ, ธาภาษาทรในกรรมวิบากดีแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหนูพยายามทาดีลบล้างความผิดเปลี่ยนทิฏฐิและนิสัยหลายๆอย่างไทยชีวิตธาตุให้เป็นไทยมากมายกระทั่งกลายเป็นคนใจดีมีเมตตาแท้จริงก่อนตาย น้เลหันมามองหน้านาสาวก่อนเอ่ยถามพ่อหมอท่าน้าเคกมีเวลาสั่งสมกองบุญไว้มากน้ำหนักน่าจะเกินความหลงผิดในช่วงต้นชีวิตแล้วนี่คะทําไมถึงเอ่อกรรมดีในชาติก่อนส่งให้ชาตินี้เกิดมาในตระกูลดีเป็นคนมีจิตใจดีพบแต่เรื่องดีแต่ในเรื่องของความรักถึงคิวที่กรรมร้ายร้ยให้ผลการที่หนู่เค้ก เคยล่อหลอกให้คนอื่นลหลงไหลคลุ้มคลั่งรูปตนปรุงแต่งจิตให้ชาตินี้เป็นคนหลงรูปง่ายและเจอแต่พวกโลเลนิยมรักซ้อนทอดทิ้งหนูไปหาคนอื่นเสมอเอาเวรายกมือปิดปากน้ำเอ่ขึ้นปริ่มขอบตาอีกใช่แล้วหลนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอยากได้ความรักความอบอุ่นความมั่นคง ทว่าก็พบแต่รักฉาบฉวยของคนมาแรงแล้วทิ้งเร็วรูปแบบก็ซ้ำๆกันไม่เลิกคือเจอเจ้าชายในฝันที่สมบูรณ์แบบขนแล้วขนเล่าทว่าต้องเผชิญกับความจริงว่าเจ้าชายเหล่านั้นพบเจ้าหญิงที่ครบพร้อมกว่าตนในเวลาแสนสั้นหลายครั้งหล่นขาดความมั่นใจและสับสนว่าความงามกับความดีของตนอยู่ในขั้นไหนกันแน่ มันช่างเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะหาคนเข้าใจอีกประการหนึ่งอุปการะกล่าวสืบต่อชาติก่อนถึงแม่หนูดีแค่ไหนแต่จิตใจส่วนหนึ่งก็ยังคงเศร้าหมองไม่อาจตัดความอาลัยและความรู้สึกผิดที่มีต่อาธาตุเก่าซึ่งก็คือเขาที่มาเป็นคู่เวรกันในชาตินี้วันแรกๆที่พบกันหนูสังหรณ์ไม่ดีแปลกๆใช่ไหมล่ะค่ะหญิงสาวยอมรับเสียงเครือ นั่นแหละความอาลายัยผสมความรู้สึกผิดเก่าๆบวกกับสัญชาตญาณของจิตที่เห็นว่าชาตินี้ถึงหนูตกที่นั่งถูกกระทำบ้างแต่การที่หนูเคยใช้เขาเป็นเครื่องมือทางการมารม์มบวกกับการย่ำยีจิตใจเขาด้วยประการต่างๆกลายเป็นวิบากบีบคั้นทนแรงรบเร้าของกิเลสไม่ไหวต้องเลยตามเลยไปกับเขาแม่พบกันเพียงไม่นาน และแม้พยายามหักห้ามใจก็เหลือฝืนเอาเวลานิ่งเงียบเป็นเชิงยอมรับโดยดุษณนีนัชเลจึงขอซักแทนถ้าฝืนกันจริงๆนี่ได้ไหมคะถ้าฝึกมีขันติไว้ดีพอก็สร้างกรรมใหม่ชนะกรรมเก่าได้หมดนั่นแหละปัญหาคือน้อยครั้งที่เราจะเห็นคุณของการมีขันติมีกรอบมีเกณฑ์ที่ถูกต้องส่วนใหญ่ จึงเหมือนต้องเลยตามเลยตามแรงสัดของกรรมเก่าและทำไมชาตินี้ไหนคนนั้นถึงเกิดมาหน้าตาดีนะคะพ่อเผลอถามเสร็จก็แทบกัดลิ้นตนเองเพราะนึกได้ว่าเหมือนตอนประกาศยอมรับใกลๆว่าพฤหัสรูปหล่ออุปการะเบนสายตามามองเด็กสาวด้วยยิ้มเอ็นดูเมื่อพ่อของหนูเ ค, ค้กขายเข้าไปเขาก็โชคดีไปเจอนายใหม่เป็นคนใจบุญ ชอบให้บ่าวไพร่ติดตามไปวัดและช่วยกันใส่บาตรถวายของพระรวมทั้งทำความสะอาดวัดนอกจากนั้นนายใหม่ยังให้ความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือถ้าใครถวายของพระด้วยจิตยินดีมีศรัทธาแม้ของนั้นไม่ได้ซื้อหามาด้วยทรัพย์ของตนก็ช่วยให้พ้นจากสภาพของทาตเกิดใหม่จะมีฐานะร่ำรวยและมีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณน่าชื่นชม อดีตทาตุของหนูเค้กก็น้อมใจเชื่อและหมั่นช่วยนายใหม่ประกอบการบุญด้วยศรัทธาภะสาทะที่แรงกล้าเหนือทาตอื่นๆวิบากของความยินดีในการถวายสังฆทานให้ผลเร็วคือเห็นอานิสงได้ตั้งแต่ชาตินั้นแล้วเพราะจิตใจที่อ่อนโยนเคารพบุญกระตือรือร้นในกิจอันเป็นกุศลดนให้นายเกิดน้ำจิตคิดกรุณาเป็นพิเศษ ประกาศปล่อยเขาพ้นจากสภาพของธาตแถมเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเหลือกิจการงานของนายในฐานะคนใกล้ชิดอีกด้วยสรุปคือทั้งชีวิตที่เหลือนั้นเข้าเต็มไปด้วยโอกาสตกแต่งจิตใจให้งามพร้อมด้วยรังสีกุศลผลที่ปรากฏชัดในชาตินี้จึงเป็นรูปร่างหน้าตาสมน้ำสมเนื้อกับกรรมดีที่สร้างไว้ในภพเดิมนชเลฟังแล้วนิ่งไปด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง แต่ละคนล้วนมีที่มาที่ไปเสมอไม่มีใครได้ดีโดยบังเอิญสักรายและทำไมชาตินี้เขาถึงเจ้าชูนะคะในเมื่อเคยใจบุญออกปานนั้นซักต่อเรากับเป็นเจ้าของคดีเสียเองคนเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้หลงลืมอดีตมองไม่เห็นที่มาที่ไปของคุณสมบัติต่างๆในตนพอเขาพบว่าตนเองเกิดมายังไม่ทันต้องทาอะไรก็รอเล้ามีแต่สาวๆมาหลง ก็ย่อมกระยิมในความเป็นคนเจ้าสเสน่ห์กับทั้งเห็นว่าภาวะของเพศ ช, ชายนั้นได้เปรียบมีแต่ได้ไม่มีเสียจึงลำพองในวัยต้นของชีวิตเป็นธรรมดาสรุปว่าผู้ชายอาจเจ้าชู้ได้โดยไม่จําเป็นต้องเคยเป็นคนเลวในอดีตชาติหรือคะอุปการะทอดสายตามองผู้อ่อนวัยด้วยความเข้าใจแม่สาวน้อยตรงหน้าจะมีธรรมะแค่ไหนใจส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นสาวน้อยที่รักแรง เกรียดแรงได้เหมือนคนทั่วไปอยู่ดีใช้เวลาคิดเล็กน้อยก่อนตอบด้วยวิธีย้อนถามนุสายเห็นว่าอย่างไรความเลวเที่ยงหรือไม่เที่ยงนัชทะเลชงงะงักกึกนึกถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือของพฤหัสแล้วจำต้องตอบอุบอิบไม่เที่ยงสิคะแต่อคติทำให้ใจหนูรู้สึกว่าเที่ยงใช่ไหมเด็กสาวนิ่งไปครู่ ก่อนเออยแผ่วค่ะไม่อายที่จะยอมรับเพราะเมื่อถูกจี้ให้เห็นอคติอันเป็นจุดมืดมัวกลางใจจุดมืดนั้นก็แตกสลายหายหนุนแปลเป็นความสว่างเบาไปแทนจิตที่สบายแล้วย่อมไม่มีอุปสรรคในการยอมรับตามจริงและอุปการะก็ยิ้มละไมยอย่างพึงใจที่เด็กสาวข จ, จัดสิ่งกีดขวางได้เร็วเขาอธิบายต่อในชาติเดียวกัน คนเรายังกลับไปกลับมาระหว่างเลวกับดีได้หลายร้อยหลายพันครั้งแล้วข้ามชาติข้ามพบมาจะหาความแน่นอนอะไรได้ถ้าหนูตัดอคติทิ้งเห็นตามจริงว่าทุกๆุกคนต่างก็มีที่มาที่ไปในการก่อกรรมใจก็จะเป็นกลางไม่ต้องทุรนทุรายเรียมหาความยุติธรรมเมื่อเห็นคนหน้ามหมันไส้ยังอยู่ดีมีสุขและไม่ต้องมืดมนกับความสะใจ สมน้ำหน้าเมื่อเห็นศัตรูประสบทุก์ปางตายสัมผัสในน้ำเสียงของพ่อหมออุปการะอ่อนโยนพอจะทำให้นัชเลน้อมรับใส่ใจโดยดีและย้อนเห็นเข้ามาข้างในว่าตนยังมีอคติกับความฝังใจต่างๆเป็นเครื่องบทบังทัศนวิสัยอยู่มากเรียกว่าถ้าหากอยากดูกรรมวิบาของตนเองและใครๆได้อย่างหมออุปการะก็สอบไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกแล้ว งนหนูขอถามด้วยความอยากรู้ในอีกอารมณ์หนึ่งนะคะความเจ้าชู้นี่สืบต่อข้ามภพข้ามชาติได้หรือเปล่าการสืบนิสัยข้ามชาตินั้นไม่ตรงไปตรงมาซิทีเดียวหรอกหนูทรายอย่างเช่นอดีตแฟนหนูเค้กสมัยเป็นทาสเขาเริ่มชีวิตมนุษย์ด้วยทุนเดิมที่น้อยรูปไม่งามนามไม่เพราะกินอยู่แย่งทาสก็ขาดปัดจจัยส่งเสริมให้เป็นคนเจ้าชู้ ถ้านูรู้จักเขาในชาตินั้นจะเห็นเขาสงบเสงี่ยมเจียมตนรักเดียวใจเดียวดูน่าสงสารมากหน้เล น, นิ่งซึมหมายความว่านิสัยใจคอมีขึ้นมีลงตามทุนรอนเฉพาะหน้าใช่ไหมคะทํานองนั้นถ้าใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายก็ว่ายตามน้ำตามกระแสกันเกือบหมดวิบากสั์ไปทางไหนกิเลส ก็หนุนให้ไหลไปทางนั้นไม่มีสักกี่คนหรอกที่ต้านกระแสหรือกระทั่งมีแก่ใจทวนกระแสไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองได้นานๆเลยหรือคะก็มีทางอยู่การเป็นผู้ชนะกิเลสในทางใดทางหนึ่งได้ตลอดชีวิตคงเส้นคงวาไม่หวั่นไหวแม้ถูกทดสอบหนักหนาเพียงใดนั่นแหละจะกลายเป็นนิสัยติดตัวข้ามภพข้ามชาติในระยะยาวได้ อย่างเช่นถ้าเป็นชายที่มีดีพร้อมแล้วเจอผู้หญิงมาเสนอตัวมากมายแต่ก็ปฏิเสธด้วยความปรารถนาในรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิตก็จะเกิดนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเกิดอีกกี่ชาติก็มักซ้ำรอยเดิมคือไม่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจไปเรื่อยๆในตาเด็กสาวทอประกายแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วหล่อนก็ปลายตามาทางคนข้างเคียงแวบหนึ่ง พอรเอร์นซายเพิ่งได้ดูหนะ้าเค้กเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการให้อภัยอย่างไม่มีประมาณทำกันอย่างไรยิ่งผ่านแบบทดสอบหลายระลอกอภัยทานก็ยิ่งสว่างและกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หน้าตาหน้าเคก้กลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนอภัยทานได้เลยสำหรับซายอุปการะพยักหน้าเรื่องใหญ่ที่สุดยังอภัยได้ชีวิตที่เหลือก็ไม่มีเรื่องไหนทาให้หนูเคก้ก ผูกจิตอาฆาตพยาบาทได้อีกนิสัยรักการสละพยาบาทจะติดตัวข้ามชาติต่อไปไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะการจองเวรมากเท่าคนอื่นแปลว่าชาตินี้นาเคกแผ้วถางเส้นทางไว้ดีพ้นขาดจากความไม่มีภัยเวรได้ตลอดรอดฟังจนกว่าจะถึงพระนิพพานแล้วใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นถ้ายังต้องเวรไหว้ตายเกิดก็ไม่มีใครพ้นขาด จากภัยเวรหอกหนูทรายต้องเก้อกูลและเบียดเบียนกันโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตลอดเวลาอย่างน้อยเกิดใหม่ก็ต้องพลาดท่ากันบ้างโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีคุณสูงสุดอย่างพ่อแม่และกระทั่งเบียดเบียนตนเองด้วยความคิดร้อนๆไม่หยุดยอนอภัยทานแค่เป็นสนามพลังลดแรงกระแทกไม่ให้พยันตรายเข้าชนเราจังๆตามน้ำหนักเดิมเท่านั้น สองสาวฟังแล้วใจแป้วลงทันทีโดยเฉพาะอาเวราซึ่งเพิ่งผ่านเรื่องร้ายมาหมดัดหมัดกำลังเข็ดขยะอยู่พอดีหญิงสาวจึงเรียบเคียงถามไม่มีวิธีเดินทางไกลแบบปลอดจากภัยเวรได้เลยหรือคะนี่คือสัจจะประจำสังสารวัตรที่หนูต้องจดจำให้ขึ้นใจเลยนะความเที่ยงไม่มีความทนอยู่ได้ไม่มีและตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งตามปรารถนาก็ไม่มี หนูสร้างปัจจัยบวกได้มากไม่จำกัดแต่วิบากก็จะส่งเหยื่อล่อมาทำลายตะบะแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาตามตัวเพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าคิดจะเดินทางท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรื่อยๆแล้วก็การพ้นนรกย่อมไม่ใช่วิสัยแย่จังผมจะยกตัวอย่างให้เห็นความจริงง่ายๆรู้ไหมรางวัลของการเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่แกล้งหลอกให้ใครมาหลงชอบ คืออะไรคำถามนั้นยิงตรงมาทางนชเลไม่ทราบค่ะเห็นไหมทั้งๆ ท, ที่เป็นเจ้าของกรรมและกำลังสวยวิบากด้านดีอยู่เจ้าตัวก็ตอบไม่ถูกเด็กสาวเม้มปากยิ้มนิดๆอย่างฟองฟูเพราะคําของพ่อหมออุปการะเหมือนชมอยู่ในทีคนใจเดียวที่ซื่อสัตย์ไม่เป็นอื่นครองกายอยู่กับคู่ของตนได้ตลอดรอดฟัง แม้ถูกทดสอบให้ไขว่ควเวก็ไม่วอกแวกรางวัลคือจะทำให้เกิดใหม่เป็นคนมีสเสน่ห์จับตาทรงอิทธิพลบันดาลใจให้เพศตรงข้ามเห็นแล้วอยากตู่ว่าเป็นคู่แท้เกิดจินตนาการอบอุ่นอยากเคียงบาเคียงไหลไปตลอดการนอกจากนั้นกระแสวิบากยังดึงดูดแต่คนดีๆมาให้เลือกนับไม่ถ้วนใครต่อใครเทใจ จ, จริงให้เพราะเห็นเรามีค่า ไม่อยากเข้ามาหลอกเล่นเอาสนุกกันเลยส่วนคนใจคดแม้อยากเข้ามาใกล้ก็จะเหมือนมีแรงผลักให้ห่างออกไปพยายามเท่าไหร่ก็เข้าไม่ถึงตัวสักทีก็ฟังดูดีนี่คะเอาเวลาเป็นฝ่ายเอ่ยถามเพราะน้เลมัวแต่นั่งยิ้มทำหน้าสีชมพูเรื่อเรื่อแล้วทำไมพ่อหมอถึงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในเชิงว่ามีโทษแฝงอยู่แง่ที่เป็นโทษคือถ้าเป็นหญิง ก็มีโอกาสทําให้คนดีๆอกหักกันระนาวและจะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจไม่เลิกเมื่อคิดว่าต้องทําให้คนโน้นคนนี้เสียใจอีกอย่างขอเพียงเผลอคิดยินดีที่ใครมาคลั่งใครตัวเองอย่างหมดทางสมหวังเท่านั้นจิตจะเริ่มเสียสูญเอียงน้ำหนักเข้าไปติดอยู่ในภพของความเป็นนักหักอกผู้ชายแล้วรอยยิ้มในใบหน้าของนชเลเลือนลงเพราะทบทวนดู ก็ชักไม่แน่ใจว่าเผลอยินดีไปกี่ครั้งการที่อยู่ดีๆมีคนมาลหลงไหลเป็นพเพอเกวียนเรากับตนเป็นดอกไม้งามช่อตโตส่งกลิ่นหอมขจรขจายนั้นง่ายอยู่หรือที่จะห้ามใจมิให้เห่อเหมิมฟองฟูแค่ความยินดีในผลที่เราไม่ได้ตั้งใจก่อก็โน้มเอียงเข้าไปติดพบแบบนั้นแล้วหรือคะความยินดีก่อให้เกิดมโนกรรม ถึงไม่ตั้งใจหลอกเขาก็มีความรู้สึกคล้ายหลอกสำเร็จได้อันนั้นแหละที่เรียกกะตัตกรรมหรือกรรมเล็กน้อยที่สำเร็จผลทั้งที่ไม่ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นไว้ก่อนกรณีของหนูแม้เป็นเวรเพียงเล็กน้อยก็อาจพอกพูนเป็นก้อนใหญ่ขึ้นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนูไม่รู้ตัวถ้าแค่ภูมิใจในตัวเองว่ามีดีอย่างนี้นับได้ไหมคะ นัชเลถามอย่างค่อนข้างมั่นใจในตนเองว่าที่ผ่านมาความคิดกระเดียดไปทางนั้นจริงๆไม่ใช่ปลื้มที่ใครต่อใครอกหักเพราะตนท่าทางและวิธีพูดของเด็กสาวที่เสมือนป้องกันตัวกลัวใครกล่าวหาทําให้อุปการะจำเป็นต้องดูซ้ำอีกครั้งเพราะเมื่อครู่สัมผัสผิวเผลนเห็นว่าใจหลอนติดเยื่อใ ย, ยยินดีที่มีคนผิดหวังในตน มีความสะใจซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้เขาจับกระแสเยื่อใยนั้นด้วยกำลังอุเบกขามากขึ้นกระทั่งเป็นอารมณ์กระจ่างชัดในมโนทวารยังผลให้จิตล่วงรู้ไปถึงเหตุการณ์อันเป็นต้นต่อได้ถนัดพ่อหนุ่มที่เพิ่งเสียชีวิตเข้ามาหลงชอบหนูหนูเพิ่งรู้เร็วๆนี้ใช่ไหมนะัชเลอึกอักก่อนรับค่ะทบทวนสิว่าหนูรู้สึกยังไง เด็กสาวนิ่งทื่อในอาการนึกไม่ถึงแต่ที่สุดก็กัดฟันตอบหนูรับว่าหนูสะใจอยู่ในส่วนลึกคะ่ะแต่นั่นเพราะหนูเกลียดเขานี่คะ่ะปกติหนูไม่สะใจที่ใครมาหลงหรอกเพลอแสดงความในใจออกมาเต็มปากเต็มคำแต่พอรู้สึกตัวว่าอยู่ต่อหน้าอเวราก็ลดเสียงลงขอบคุณพ่อหมอคะ่ะที่ชี้จุดบอดที่หนูมองไม่เห็น ต่อไปหนูจะพยายามแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้คนของนาเคกมากๆจะได้ลบจุดบอดนี้ทิ้งเสียระหว่างเอ่ยก็รู้ว่าไม่ใช่ของง่ายเลยใจคิดแต่ว่าต่านั่นทั้งหลอกลวงทั้งทำร้ายผู้เป็นที่รักของหล่อนสารพัดก็สมควรแล้วที่จะได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจเสียบ้างฝ่ายอเวราไม่ติดใจประเด็นนั้นหันมาสนใจสภาพหลังความตายของพืหัสมากกว่า เคกอย่างถามพ่อหมอข้อหนึ่งค่ะเขาไปอยู่ไหนแล้วคะถามเสร็จก็ตั้งหน้ารอฟังคำตอบด้วยใจระทึกเพราะครั้งนี้ต่างจากการฟังคำตอบแบบคาดเดาจากรสรินและนัชเล่หล่อนกำลังจะทราบข้อมูลจากปากของผู้เห็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่รับฟังความเห็นจากผู้น่าเชื่อถือเหมือนเคยอุปการะเหลือบมองคนถาม วาระแรกของจิตที่ได้ยินคำถามคือไม่สบายใจและไม่อยากตอบเนื่องจากสัมผัสถึงพบใหม่ที่ไม่น่ารื่นรมนักสำหรับผู้ตายถ้าบอกความจริงไปอาจก่อความร้อนใจแก่ผู้ยังอยู่ได้หนูจะรู้ไปเพื่ออะไรก็ถ้าเขาไปไม่ดีหนูจะได้ช่วยจนสุดความสามารถไงคะคนเราช่วยกันได้เต็มที่ก่อนตาย พอตายแล้วก็ไม่ควรเป็นภาระต่อการอีกแล้วแม้ทางใจเอาเวลาใจหายแปลว่าเขาไปไม่ดีหรือคะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรรู้หรอกหนูเค้กไหวละคะให้หนูรู้เถอะหญิงสาวพนมมือตามปากมีคนสันนิษฐานว่าเขาหน้าจะไปดีแต่หนูยังคาใจายอยู่ด้วยสังหรณ์ว่าความจริงไม่เป็นอย่างนั้น หมอดูวัยกลางคนถอนใจคงไม่อาจหลีกเลี่ยงเนื่องจากตนกำลังอยู่ในหน้าที่ตามข้อตกลงจึงไม่สมควรปฏิเสธทอดตามองหญิงสาวแน่นิ่งเพื่อเล็งจับกระแสะความทรงจำและสายใยสัมพันธ์ซึ่งยังคงค้างเด่นชัดในจิตของฝ่ายนั้นสัมผัสว่าสายใยนั้นถ้าแปลงเป็นเสียงเรียกชื่อก็ได้คาว่าต่อยออกมาจึงถามทักเพื่อความแน่ใจ เขาของหนูชื่อต่อยใช่ไหมหน่วยตาอเวลาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยนั่นเป็นครั้งแรกที่สงสัยว่าคลื่นความคิดในหัวตนส่งเสียงได้ไม่ต่างจากปากหรืออย่างไรใช่ค่ะอุปการะปิดตาลงเพราะครั้งนี้ต้องดูลึกกว่าเดิมที่ผ่านๆมาเพียงอาศัยดูเงากรรมซึ่งปรากฏติดตามแต่ละคนอยู่แล้วเมื่อฝึกดูจนชนานาญก็เห็นง่าย แต่สำหรับจิตที่จุติจากภพเดิมไปอุบัติในภพใหม่เช่นนี้ก็ต้องดูเอาเองตรงๆอย่างเดียวเมื่อดูการเกิดใหม่ของสัตว์สำหรับอุปการะจะใช้จิตสัมผัสเป็นอันดับแรกคือเล็งก่อนว่าจิตดับในภพปัจจุบันด้วยการยึดหน่วงสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลไว้จากนั้นคตินิมิต จ, จะปรากฏในห้วงมโนทวานเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม เพราะเหตุดีย่อมฉายผลดีและเหตุชั่วย่อมฉายผลชั่วตรงไปตรงมาให้จิตที่เที่ยงตรงเหมือนกระจกใสรับรู้ได้ไม่บิดเบี้ยวพวกนั่งทางในส่วนใหญ่ที่ถูกนิมิตหลอกหรือเกิดอุปทานไม่ตรงตามจริงกันนั้นก็เพราะยังขาดเหตุขาดผลที่ถูกต้องในการเชื่อมโยงพบเก่ากับพบใหม่บางครั้งอาศัยเพียงอคติ ดูหน้าคนตายแล้วจิตปรุงแต่งว่าออกหัวออกก้อยตามใบหน้าหรือไม่ก็ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆตามพื้นเพศศรัทธาเช่นเข้าใจว่าคนตายไปอยู่พบใหม่ตามการบันดาลของพรหรือคำสาปจากเทพเจ้าและมารร้ายนิมิตที่ออกมาจึงเป็นการปรุงแต่งเอาตามศรัทธาของจิตหรือศรัทธาของกลุ่มเหมือนถูกสะกดจิตให้เห็นตามๆกัน โดยไม่ขึ้นตรงกับเหตุผลอย่างกรรมและวิบากอันเป็นกฎธรรมชาติขนาดแท้ครู่หนึ่งนักทานายกรรมก็ลืมตาขึ้นเห็นดวงตาสองคู่จับจ้องตนอย่างรอคอยก็เอ่ยเสียงครึม้มเมื่อรู้ความจริงหนูจะไม่สบายใจนะหญิงสาวหายใจไม่ทั่วท้องกลืนน้ำลายแทบไม่ลงมาถึงขั้นนี้แล้วก็โปรดบอกเธอคะ่ะถ้าเขาไปร้าย โนจะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เขามากๆเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากใครหรอกและอุปการะก็เฉลยผ่านการเชื่อมโยงกรรมซึ่งเอเวราสามารถรู้ตามได้ว่าเป็นจริงหนเคยชักชวนเขาไปทำบุญแล้วเขาทำหน้าเหมือนลิงหลอกเจ้าใช่ไหมเอเวรารู้สึกราวกับหัวใจจะหยุดเต้นยกมือท่าบกใช่ค่ะ นั่นแหละนิมิสุดท้ายที่จิตเขาจับไว้ก่อนตายคนอยู่ข้างหลังพยายามสะกดอารมณ์ที่เหมือนอยากจะร้องไห้ขึ้นมาอีกหนูไม่ควรชักชวนเขาเลยนี่แปลว่าหนูเองใช่ไหมคะที่ส่งเขาไปเป็นบุรุษอาวุโสพยักหน้าง่ายๆสีหน้าสีตาร้ายร่องรอยอารมณ์ยินดียินร้ายตอนนี้เขาอยู่ในท้องแม่ลิงตัวหนึ่งในป่าแล้วเขาก็ไขกุญแจอีกดอก หนูไม่ได้ส่งเขาไปเป็นอย่างนั้นหรอกกรรมของเขาเองต่างหากที่ส่งไปถ้าหนูไม่ชวนเขาก็คงไม่ต้องทําหน้าทําตาให้เกิดบาปเขาทําบาปอื่นที่หนักกว่านั้นอยู่แล้วอุปการะเล็งลึกอีกครั้งก่อนอธิบายให้หญิงสาวเข้าใจละเอียดก่อนเขาขาดใจตายหนูมีโอกาสร้องเรียกชื่อให้เขาได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมค่ะนั่นแหละ อารมณ์สุดท้ายในโลกความจริงคือเสียงของหนูถัดจากนั้นจิตเขาก็ตัดเข้าสู่วิถีแห่งความตายเขาพยายามหน่วงยึดเอาบุญเป็นที่ตั้งจิตก็ปรุงแต่งออกมาเป็นนิมิตหนูชวนไปทําบุญซึ่งก็น่าจะพอช่วยได้ทันหากเขาเคยไปตามคําชวนมาบ้างแต่เท่าที่ผมเห็นคือกรรที่เขาเคยปฏิเสธด้วยการทําหน้าหลอกมันย้อนเข้ามาในมโนทวารแจ่มชัด นี่แหละที่เขาเรียกว่าบุญไม่ถึงคือความสว่างแม้มีอยู่แล้วแต่ก็สาสด์เข้าไปไม่ถึงใจเพราะถูกกรรมดำขัดขวางเสียเอาเวรายกมือประคองขมับทั้งสองสีสะสายไปมาอย่างระทมทุกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหล่อนช่างผิดพลาดล้มเหลวและกระทั่งเป็นความเดือดร้อนแก่คนรักมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ เสียงที่ลอดไรฟันนั้นสั่นพราามันต้องเป็นอย่างนี้แหละขณะจิตสุดท้ายไม่มีใครต่อรองกับกรรมเก่าของตัวเองได้หรอกหนูเค้กทำใจเถอะน้าะเลเม้มปากบังเกิดความกลัวบาปกลัวกรรมเพิ่มขึ้นทับทวีแต่ที่ทำได้ตอนนี้คือโอบหลังของน้าสาวและกล่าวปลอบน้าเค้ก ค, คะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ถูกไฟ ย, ย่างอยู่ในขุมนรก และสายก็เชื่อว่าที่เขารอดนั้นเพราะนาเคกช่วยให้เขาสำนึกผิดทันความจริงเป็นลิงนั้นจิตวิญญาณน่าจะใกล้เคียงกับมนุษย์มากเขาอาจได้กลับมาเกิดอีกระเรวนี้อุปการะยิ้มให้กับความฉลาดปรอบของเด็กสาวและนั่นก็ทำให้เขามีแก่ดใจดูแนวโน้มการเกิดใหม่ของเจ้าลิงน้อยโดยไม่ต้องให้ใครขอก่อนตายเขาสานึกผิดแรง เอ่ยหลังจากเงียบเพียงอึดใจเดียวนั่นจะเป็นเหมือนแรงดันให้กลับมาเกิดเป็นคนได้เร็วเพราะคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะทำให้จิตสว่างเป็นกุศลสมน้ำสมเนื้อกับภูมิมนุษย์ก็คือความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปนี่เองสายตาณเลยังคงจับอยู่คนข้างตัวขณะพึมพำเสริมเห็นไหมถ้าระหว่างต้องโทษในร่างลิง เขาไม่บังเอิญพราดทำเรื่องเลวร้ายหนักเข้าไปอีกพอถึงเวลาเคลื่อนจากพบลิงจิตจะนึกถึงบุญเก่าขึ้นมาเองเพราะกุศลกรรมหลายๆอย่างในชาติที่เป็นทาตนั้นติดตามไปอุปถัมภ์ได้นาน น, นัชเลหันมาถามด้วยความอยากรู้ทันทีกรรมอะไรบ้างคะที่ให้ผลอุปถัมภ์ได้นานหลายๆชาติศรัทธาในกรรมวิบาก เชื่อว่ากรรที่ทำไปมีผลเช่นครั้งเมื่อเป็นทาตุเขาเชื่อรวมทั้งเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีแม้ถูกนายใช้ให้ช่วยพระเนนทำความสะอาดวัดก็ทำด้วยใจเลื่อมใสไม่ใช่สักแต่ทำตามหน้าที่เพราะถูกใช้นี่เป็นข้อหนึ่งกรรมอีกข้อหนึ่งที่เขาทำทั้งชีวิตคือการใส่ใจรู้คุณคนและขวนขวายตอบแทนท่าน การสองประการหลักๆนี้เองจะแปลเป็นพลังอุปถรัรมภ์ให้ผลยั่งยืนเมื่อตกต่ำก็ไม่นานนักเพราะได้แรงอุปถัมภ์ทำนองนี้มาช้อนขึ้นจากอบายภูมิเร็วหน่อยสีหน้าของอเวราใสาขึ้นเมื่อเงยขึ้นมองพ่อหมออุปการะอีกครั้งแปลว่าพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมคะก่อนตายเขามีความอาลัยในวัด จิตที่ประวัติถึงวัดก่อนตายนั้นจะทำให้กำเนิดมนุษย์ครั้งหน้าได้อยู่ใต้ร่มเงาพุทธศาสนาอีกอุปการะตัดสินใจตอบตามจริงเพียงส่วนเดียวเพื่อให้อเวรา ย, ยิ้มออกแต่ขยักความจริงก้อนใหญ่อาจจะทำให้หล่อนต้องเศร้านานเอาไว้เพื่อไม่ให้คำทานายเดือดร้อนตนและเดือดร้อนท่าน เขาตระหนักดีว่าการก่อความกระวนกระวายใจแก่คนมาดูหมอนั้นเป็นกรรมที่มีผลสะท้อนเข้าตัวซึ่งผู้ประกอบอาชีพทางนี้ส่วนใหญ่มักพลาดกันคือไปเผยบางส่วนของความจริงที่ควรปกปิดโดยไม่มีคำแนะนําใดๆเพื่อความคลายใจหรือเพื่อความเห็นถูกเห็นชอบหมอดูหลายคนยิ่งประกอบอาชีพนานจึงยิ่งมีจิตเศร้าหมองหรือประสบทุกข์ ประสบความกระวนกระวายใจฟุ้งซ่านเป็นสมาธิยากในระยะยาวอนาคตของเพื่อหัสที่อุปการะเห็นล่วงหน้าเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้นจะเป็นผู้มีรูปงามทั้งนี้เพราะศีลสัตว์ในครั้งเป็นธาตุให้ผลยังไม่หมดมีเศษความสว่างจากกรรมขาวมาตกแต่งรูปให้ดูดีน่าชื่นตาชื่นใจอยู่ทว่าน่าเสียดาย ในพบของความเป็นพฤหัสเขายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่กับกามกามที่ตั้งหน้าตั้งตาตักตวงความสุขจากเรือนกายของหญิงมากหลายทั้งที่มาเสนอตัวและทั้งที่ไปล่อลวงมาขึ้นเตียงด้วยเล่เพทุบายต่างจะบันดาลให้เกิดในรูปหญิงเพื่อเป็นฝ่ายตักตวงบ้างหมายความว่าความสาวความสวยในพบซึ่งต้องตกที่นั่งลาบาก จะดึงดูดเสือหิวมาหามากกว่าผู้ชายดีๆที่มีศีลสัตว์และเพราะกรรมที่พฤหัสมีจิตคิดแต่จะเอาไม่ชอบให้จึงหมดสิทธิ์เกิดในตระกูลร่ำรวยหมดสิทธิ์อยู่สบายๆโดยปราศจากการกดขี่จากระบบวัตถุนิยมอย่างไรก็ตามรัศมีกรรมดีในยุคเป็นทาตจะช้อนรับไว้ไม่ให้ตกต่ำติดดินระดับสลัมพ่อแม่ของเขาจะเป็นพวกมีบ้านอยู่ แต่ฐานะทางการเงินโดยทั่วไปฝืดเคืองไม่สามารถซื้อหาอะไรให้ตามที่เขาปรารถนาถ้าอยากได้อะไรต้องหาเองการที่พฤหัสกุเรื่องเก่งโกหกเป็นไฟได้หน้าตาเฉยโดยปราศจากความละอายนั้นจะตาล่อมชีวิตหน้าของเขาให้เข้าสู่เส้นทางแห่งการหลอกลวงกล่าวคือไม่ว่าไปทางไหนก็จะเจอแต่ถ้อยคำอันเป็นเท็จกับทั้งเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย ใจิตใจอ่อนไหวใครๆจึงเห็นเป็นตัวกระจอกหน้ารังแกอีกประการหนึ่งแม้ใบหน้าและสวดทรงในชาติถัดไปของพฤหัสจะดูดีเพียงใดต้นชีวิตจะถูกมุสาวาดในชาติเก่าปรุงกระแสให้มองแล้วไม่น่าเชื่อถือและตกแต่งน้ำเสียงให้ฟังขาดน้ำหนักกับทั้งกระตุ้นสมองให้ทำงานแบบชอบฟุ้งซ่านนิยมการพูดเลวไหล อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นคนติงต้องใครๆไม่ค่อยให้ความสำคัญจึงมีแนวโน้มว่าโตขึ้นในชั้นเรียนแบบเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเองการที่เคยล้อเลียนและเยอะหยันบุญกุศลขนาดเคยไปติดอยู่ในภพลิงนั้นจะทำให้คราวต่อไปที่เกิดเป็นมนุษย์มีจิตกระด้างกริยากระโโตกะเดกซุก ส, สนไม่เป็นที่น่าเอ็นดูในสายตาของผู้ใหญ่ หากอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้ศักยาภาพของความเป็นมนุษย์ในชาติใหม่อบรมขัดเกลากันนานกว่าที่จะกลมเกลี้ยงเหมือนมนุษย์มนาทั่วไปได้เมื่อกรมเก่าประการต่างๆข้างต้นเข้ารหัสสอดรับกันรวมออกมาจึงเป็นภาพชีวิตที่ไม่น่าดูนักมีแนวโน้มสูงว่าจะถูกบีบคั้นให้อยากขายสมบัติเก่าเอามาแลกสมบัติใหม่ สภาพแวดล้อมบีบให้อยากเร่ขายร่างกายเอาเงินถึงแม้พริกแผ่นดินหาคนจริงใจคิดเลี้ยงดูก็ยากจะเจอเจอแต่พวกที่กรูเข้ามาหาด้วยความหื่นกระหายน้ำลายหกทั้งนั้นยากจะพ้นวงจรแห่งกามอันต่ำซามไปได้ด้วยอำนาจบรรดาลของกรรมดีที่เคยช่วยทำความสะอาดวัดด้วยใจศรัทธาในภพธาตุ บวกกับความอาลัยในวัดก่อนตายในชาติล่าสุดเพื่อหัสจะเกิดใหม่ในสังคมที่นับถือพุทธแต่เสดายเคยปฏิเสธการชักชวนไปทำบุญแถมยังก่อบาปด้วยการทิ่มตํำให้คนโนเสียใจบันทอนกำลังใจใครต่อใครในการทำความดีหลายหนวิบากจึงส่งแรงผลักสัยเข้มข้นกว่าดึงดูดดังนั้นในต้นวัยจึงเป็นพุทธอย่างเปล่าประโยชน์ คือเป็นเหมือนไม่ได้เป็นไม่อยากเข้าหาธรรมะและกระทั่งมีแนวโน้มอยากปฏิเสธธรรมะด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามด้วยความที่ครั้งเป็นธาตเคยอยู่ใต้การปกครองของคนดีมีศีลธรรมเคยว่าง่ายภายใต้โอวาจนของนายจึงเกิดเป็นช่องทางเป็นไปได้ที่จะเกิดความเห็นชอบอีกครั้งเพียงแต่ยากหน่อยต้องพบกรลยาณมิตร ผู้มีความดีงามน้าเลื่อมใสศรัทธาจริงๆ จ, งจึงจะยอมลงให้และแม้พบกัละยาณมิตรแล้วอยากเข้าสู่เส้นทางธรรมก็ยังต้องประสบกำแพงวิบากคือเป็นผู้มีความสองจิตสองใจแวบหนึ่งอยากทำบุญฟังธรรมแต่ฟังเข้าจริงๆ จ, จา ก, กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขเกิดความลังเลสงสัยสารพัดต้องต่อสู้กับเครื่องรบกวนทั้งภายนอกและภายในไม่หยุดหย่อน อยากถอยมากกว่ายอยากก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดความรู้เห็นอนาคตชาติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในห้วงมโนทวารของผู้มีอนาคตตังสยานอุปการะตัดสินใจอุบเงียบและเบนประเด็นไปทางอื่นเสียจิตคนยุคนี้มีคติไปเป็นเปรตหรือเดรัจฉานโดยมากเพราะถ้าให้ลองสำรวจดูจะพบว่า สิ่งที่ใจคนเกาะเกี่ยวเป็นปกตินั้นคือเครื่องเศร้าหมองเกือบรุนๆนนั่นก็ก่อให้เกิดราคะนี่ก็ก่อให้เกิดโทสะสรุปแล้วจิตเต็มไปด้วยความหมอกมัวของโมหะห่อหุ้มอยู่เกือบตลอดเวลาตอนตายเลยตายแบบมืดมืดลงอบายกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวฟังแล้วสยองจังค่ะฟังพ่อหมอวันนี้สายคงต้องกลับไประวังแม้ความคิดเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆ อาจถึงขั้นต้องเกรงกันทุกขณะจิตทีเดียวอย่างพอรู้ว่านายคนที่ตายไปมาชอบทายก็ยอมรับเลยว่าแค่วันเดียววนเวียนคิดสะใจซ้ำซากอยู่เป็นร้อยหนนเฮ้อน่าเหนื่อยนะคะกับการฝืนหยุดความคิดตัวเองก็ไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปฝืนไม่ใช่เรื่องน่าเหนื่อยหรอกถ้ารู้วิธีอุปการะแนะอย่างนุ่มนวล หนูเริ่มจากการมีเมตตาจิตให้เขาก่อนต่อไปถ้าจะพูดถึงเขาก็เรียกชื่อเขาเสียหน่อยไม่ใช่พูดอ้อมค้อมเสียยาวในคนที่ตายไปบ้างคนของนาเคกบ้างวิธีที่เราเรียกใครสะท้อนออกถึงใจว่ามีเมตตาอยู่แค่ไหนนัชเลเกือบสะอึกเพราะนั่นเสมือนเรื่องเล็กที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องใส่ใจมาก่อนจริงนะคะ ลองซ้อมดูซิว่าทำได้ไหมหัดเรียกชื่อเขาต่อหน้าคนอื่นแล้วฟังดูว่าเสียงของหนูแข็งหรืออ่อนแค่ไหนเด็กสาวกระหมดคิ้วคลเครียดการถูกบังคับให้พูดอะไรที่ฝืดฝืนไม่ใช่ของง่ายสำหรับชีวิตที่เคยชินกับการเป็นตัวของตัวเองแต่การเงียบรอของอุปการะและอเวราก็กลายเป็นแรงกดดันให้จาใจต้องเอ่ย ค่ะต่อไปถ้าพูดถึงเขาหนูจะเรียกเขาว่าต่อยในความขัดแย้งทางใจนัชเลกลับรู้สึกคล้ายทะลวงผ่านกำแพงทิฐิบังเกิดความโล่งสบายอาจเพราะหล่อนเป็นคนหางเสียงดีมีเมตตาเจออยู่โดยธรรมชาติเมื่อเอ่ยชื่อใครใจจึงน้อมในทางมงคลไปเองบัดนั้นจึงเพิ่งรู้ตัวเข้าใจตัวเองกระจ่างขึ้นว่าที่ผ่านมาใจหล่อน ขาดเมตตากับเพื่อหัสอย่างแรงปากจึงถูกกดไว้ไม่ให้เรียกขานชื่อเขาเพราะถ้าเรียกก็ต้องเรียกด้วยความมีเมตตาเหมือนกับที่เรียกคนอื่นเห็นแล้วใช่ไหมแค่คิดหรือพูดกับใครในทางที่ทำให้เกิดความสบายใจเมตตาก็ตามมาเองอุปการะทักอย่างผู้มีจิตสัมผัสรู้ได้ประดุดตาเห็นรูปค่ะ รับสั้นๆแต่ในตาสองแววเข้าใจลึกซึ้งถ้าความเกลียดยังคาใจทายแค่กระทั่งเอ่ยชื่อเขาก็เอ่ยไม่ได้อยู่ๆจะไปแผ่เมตตาให้เขาก็คงแผ่ด้วยใจแห้งๆหรือกระทั่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็คงทำแบบเจืออยู่ด้วยโทสะกรุ่นๆอืมบางทีเส้นผมบางตาไม่ให้เห็นภูเขานี่ก็เขี่ยด้วยตัวเองยากเหมือนกันนะคะขอพระคุณค่ะ ที่เขียให้เด็กสาวพนมมือคล้อมศรีรษะไหวอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมอุปการะยิ้มด้วยใจวางเฉยเมื่อตั้งต้นด้วยการกำจัดอุปสรรคทิ้งได้ต่อไปหนูจะไม่เกรงเวลาความสะใจผิดๆย้อนกลับมาจะกี่ร้อยกี่พันหนก็ตามแค่ไม่ยินดีไปกับมันก็พอมันจะเหมือนลมพลมพัด ท, ที่ซัดเราปลิวตามไม่ได้ ฐานคือความเมตตาจะเป็นที่ยืนที่มั่นคงให้กับเราอย่างท้าวรอพอเห็นหลานสาวได้รับคำแนะนำดีๆเอาเวลาก็กระตือรือร้อนขึ้นแล้วสำหรับหนูล่ะคะทำอย่างไรถึงจะรื้อโครงสร้างกรรมเก่าที่เคยเข้าใจผิดถือศีลโดยเอาราคะนำ ชาตินี้นาทีนี้หนูมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นถือได้ว่าไม่มีชาติไหนจะเหมาะกับการเปลี่ย น, ปนแปลงเส้นทางของตัวเองเท่าชาตินี้อีกหนูแค่ตั้งใจถือศีลอุโบสดใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือเพื่อความมีกายใจสงบไม่กวาดแกว่งซัดทรายสะอาดพร้อมพอจะรองรับธรรมะขั้นสูงขึ้นค่ะเอาเวลารับคาอย่างแข็งขัน แต่ในที่สุดก็ยิ้มแยเอเศีีอุโบสถนี่คืออะไรแล้วต้องรักษากันอย่างไรหรือคะจำไว้ง่ายๆว่าเป็นวันที่เราตั้งใจรักษากายใจให้สะอาดด้วยการกำหนดว่าจะถือศีลแปดคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์สไม่ร่วมประเวณีสไม่โกหกหไม่เสพเครื่องมึนเมาทำลายสติห ไม่กินข้าวหลังเที่ยงเจ็ดไม่เสพเครื่องบันเทิงหรือของหอมยวนใจใดๆที่ยั่วให้เกิดกิเลสและแปดไม่นอนฟูกนุ่มสบายอันมีส่วนให้เกียติคร้านระหว่างวันควรขวนขวายทำบุญฟังธรรมหรือสวดมนต์นั่งสมาธิประกอบไปด้วยถึงจะเห็นผลว่าการถือศีลแปดมีความหมายอย่างที่สุดได้แค่ไหน แล้วต้องถือตลอดไปเลยหรือเปล่าคะเอาเวลาถามแบบชักรู้สึกแยงแยงเพราะประมาณตนแล้วคงไม่แก่กล้าขนาดนั้นไม่ต้องทุกวันหรอกชาติก่อนนุก็ถือปฏิบัติแค่เดือนละสี่วันคือสำหรับผู้ยังมีกำลังอ่อนท่านกำหนดวันที่ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นเป็นเครื่องหมายดูง่ายคือวันพระจันทร์เต็มดวงวันพระจันทร์ดับวันพระจันทร์ครึ่งดวงขึ้นแดค่า แล้ววันพระจันทร์ครึ่งดวงแรมแปดคำ่ำพูดง่ายๆว่าถือศีลแปดทุกวันพระก็พอหญิงสาวระบายยิ้มโล่งอกค่อยอย่างชั่วหน่อยค่ะเรื่องอดกินข้าวเย็นนี่ถ้าต้องทําไปตลอดคงทรมานมากเลยเพราะหนูทํางานกลับมาเหนื่อยๆรู้สึกหิวไสเกี่ยวเกือบทุกวันอานิสงของศีลแปดจะทําให้หนูค่อยๆข ย, ยับเลื่อนระดับความพอใจขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วร่างกายจะต้องการอะไรอะไรน้อยลงเองอ้อถือศีลปดทุกวันพระแล้ววันปกติก็ต้องถือศีลห้านะไม่ใช่ปล่อยะละเลยตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะตั้งแต่คบกับทรายหนูเผลอล่วงศีลแค่นิดๆหน่อยๆและพอรู้ตัวก็ตั้งใจจะไม่ทำอีกดีบาปใดที่ละได้แล้ว แม้ต้องผลติตผลก็จะไม่สม่ำเสมอและมีกํำลังอ่อนกับทั้งเปิดช่องให้บุญแทรกแสงได้ง่ายส่วนบาปที่ละไม่ได้ใจยังติดอยู่จะให้ผลแน่นอนมีความสม่ำเสมอและยากที่บุญใดๆจะมาตัดรอนการที่หนูตั้งใจมั่นรักษาศีลห้าและศีลปก็คือการเอาใจออกห่างจากบาปทั้งปวงเคลื่อนเข้าสู่สภาพตั้งมั่นในบุญทั้งปวงนั่นเอง นี่แหละวิธีเลือกเกิดใหม่อย่างฉลาดพร้อมน้าเลถามบ้างพ่อหมอคะพอโดนวิบากเก่าเล่นงานหนักๆนี่ลำพังถ้าเรารักษาใจให้บริสุทธิ์อยู่ในกรอบของศีลห้ายอย่างนี้จะมีการลัดคิวเอาผลกรรมดีใหม่ๆมาให้ผลก่อนได้หรื อ, อยังคะก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างนะ บางคนรักษาศีลห้าได้ดีจริงคือไม่โต้อตอบทางกายและทางวาจากับผู้มาทำร้ายแต่ทางใจยังผูกเจ็บยังคร่่าครวญพิล่าปรำพันธ์หรื อ, อยังทุรนทุรายสงสารตัวเองอยู่อย่างนี้คิวการให้ผลกรรมก็ไม่ขยับสับเปลี่ยนได้สักเท่าไหร่เพราะใจยังตกที่นั่งทุกข์ร้อนเหมือนเดิมใจที่ยังเหลือราก หลักอยู่ในภพแห่งความลำบากนั้นยากจะเคลื่อนไปสู่ภพที่สบายขึ้นต่อเมื่อรับสถานการณ์อย่างมีสติแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตามกำลังปัญญาไม่อิดออดโอ ด, อดครวนหรือโทษฟ้าดินอย่างนี้จะทำให้สงสารตัวเองน้อยลงเรื่อยๆหวั่นไหวน้อยลงเรื่อยๆแล้วที่สุดก็จะยิ่งมีแก่ใจบำเพ็ญทานบารมีกับศีลบารมี ด้วยความผ่องแผ้วมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละธรรมชาติความผ่องสายของจิตถึงจะเริ่มมีอิทธิพลเกิดการจัดสลับคิววิบากใหม่ในทางดีขึ้นตรงนั้นถ้าหมอดูอาศัยดวงดาวเป็นเกณฑ์อย่างเดียวก็จะเริ่มทายผิดแล้วอย่างที่นาเ ค, ค้กรอดมาได้เพราะการให้อภัยเป็นทานนี่ก็ถือว่าคือตัวอย่างการสลับคิวของวิบากแล้วใช่ไหมคะ อุปการะยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องราวกับทั้งเริ่มเหนื่อยจึงขี้เกียจเล็งดูแต่ใช้วิธีถามด้วยปากเกิดอะไรขึ้นกับหนูเค้กหรือนชเลเห็นอาการเพลียลงของผู้อาวุโสก็เข้าใจได้แล้วเป็นฝ่ายเล่าเรื่องแทนอเวราพออุปการะฟังจบก็แปรสายตาไปทางหญิงสาวผู้รอดเคราะห์ด้วยแววชื่นชมกว่าเดิม ที่หนูเ ค, ค้กรอดได้นั้นมีทั้งเหตุในปัจจุบันมานําคือการอโหสิที่ยิ่งใหญ่ขนาดปรุงแต่งจิตให้เป็นสมาธิสว่างกว้างตรงนั้นรัศมีจิตจะทําตัวเหมือนเกราะแก้วที่พยันตรายผ่านเข้ามาแผ่วผ่านได้ยากเช่นคนคิดทําร้ายทําไม่สันดานหยาบจนเกินไปเห็นแล้วต้องเปลี่ยนใจนอกจากนั้นยังมีปัจจัยในอดีตมาหนุน อย่างที่ผมบอกว่าชาติก่อนหนูเค้กแก้ความรู้สึกผิดด้วยการไถ่ท า, าตให้เป็นอิสระไว้มากซึ่งน้ำหนักบุญก็ชนะบาปที่ขายทาตเพียงคนเดียวหนวยตาของเด็กสาวเบิกกว้างขึ้นโหเห็นภาพการสู้กันระหว่างกรรมต่างวาระชัดเลยค่ะชาติก่อนหน้าเค้กขายทาตนั่นเป็นภาพหนึ่งภายหลังหน้าเค้ช่วยไถ่ท า, าตให้เป็นไทยนั่นเป็นอีกภาพหนึ่ง ตัดมาชาตินี้ภาพแรกคือหน้าเค้กจะถูกขายบ้างกับอีกภาพหนึ่งคือหน้าเค้กรอดจากการขายมาง่ายๆด้วยการช่วยเหลือจากมือลึกลับเอาภาพเก่ากับภาพใหม่มาจับคู่กันแบบนี้ถูกไหมคะก็คล้ายๆอย่างนั้นอุปการะตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แปลว่าถ้าหน้าเค้กขวนขวายหนีจริงๆก็รอดอยู่ดีอย่างนั้นหรือคะ ถ้าใช้กายวิ่งหนีก็เจ็บตัวหรืออาจถลอกปอกเปิกได้แต่ใช้ใจอโหสิอย่างนี้ก็ดีแล้วรอดแบบเบากายสบายตัวแถมได้ความฉลาดในกรรมวิบากเพิ่มพกมาอีกสมมติว่ามีการอโหสิแต่ไม่มีปัจจัยหนุนจากอดิตชาติมาช่วยเสริมแรงอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าคะทุกอย่างเป็นตัวแปรหมดแหละ เช่นผู้ลักพาก็มีส่วนอยู่เกือบครึ่งต่อครึ่งถ้าเขาเคยผูกอาฆาตไว้แรงจริงๆหรือชาตินี้เขาไม่มีโอกาสเห็นหนูเค้กโสดมนกับตาโอกาสรอดก็น้อยลงนชเลพยักหน้าน้อยๆปมกรรมนี่ซับซ้อนจังนะคะเงื่อนไขผิดไปนิดเดียวผลแตกต่างกันได้ลิบลับเอาเวลาหันมาตัดพ้อกับหลานสาวเสียดาย สายไม่พาน้ำมาพบพ่อหมอเสียแต่เนิ่นๆ่พ่อหมออาจมีคำแนะนำให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าที่ผ่านมาไม่ขนาดนั้นหรอกอุปการะขัดที่หนูเค้กทำไปก็นับว่าถูกที่สุดแล้วดีที่สุดด้วยจะพบหรือไม่พบผมก็มีค่าเท่ากันคนที่จะแก้กรรมได้ถูกต้องตรงจุดไม่จำเป็นต้องมาพบผมเสียก่อนไม่จาเป็นต้องรู้เห็นเสียก่อนว่าชาติก่อนเคยทาอะไรมาบ้าง แค่ทราบหลักการที่ถูกตามหลักฐานและศีลก็เป็นการเพียงพอที่จะก่อกรรมใหม่ดีๆเพื่อเอาตัวรอดจากบ่วงกรรมเก่าไร้ายๆได้แล้ว